เหมือนเราโฆษณาขายยาเรานั่นขายยาปวดหายทันใจแล้วน่แล้วก็พูดตามคุณภาพเราไปใครปวดฟันใครปวดที่ตาก็มาซื้อยาแล้วก็โฆษณาของเราจะชื่อจะจะมาก็ามาไม่มาเราไปจะไปว่าครับจะไปขึ้นไปว่ากับบ้านเขาทำไมไปไม่ชื่ออุบายตรงนั้นเนี่ยตัวธรรมาจริงๆใครจะมองเห็นไหมล่ ะ, อะมองเห็นไหมไม่มองเห็นหรอก กบประมาณมันมันไม่มีรูปร่างอะไรเนี่ยได้ต้องเปรียบเทียบมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นมีอุบายตรงนั้นอะธา ร, รมะให้เขาไปรู้ตรงนั้นเนี่ยไอ้ธรรมะจริงๆมันจะเห็นอะไรมันจะมีอะไรไหมให้ให้ให้คิดดูสิออไม่มีคนจะให้ธรรมะจริงๆไม่เนี่ยมีจะให้อุบายให้รู้จักธรรมะอือเป็นอุบายทั้งนั้นอ่ะให้จักธรรมะ เพราธรรมะอันนี้เมื่อพูดตามส่วนแลน้วนะจะให้คนอื่นดยตรงเนี้ยนอกจากอุบายเท่านั้นฟังคำพูดของท่านกีพุทธเจ้าท่านว่าอัคตาโลตถาคตาถ้านจะาคตเป็นเจผู้บอกธรรมะอยู่ตรงไหนละ่ะเออธรรมะอยู่ตรงไหนละ่ะต้องไปพิจารณาอีกทีหนึ่งนะ แต่ก็ท่านในท่า น, นเฉลิมที่คนเชื่อกบุคคลเชื่อคนอื่นใช่ด้วยท่านในท่านเสลิมท่านสันเสริญว่า บ, บุคคลที่รู้รวยตนเองคือมันชัดถ้ารู้รวยตนเองเน่ยปัญหามันหมดถ้ารู้กับคนอื่นเน่ะปัญหามันเหลืออยู่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคุณทั้งนายมาวัดวันเนี้ย คุณในมาแล้วปัญหาที่จะต้องถามมาวัดบรรณกรนอกอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรก็หมดวัดประพงษ์เป็นยังไงอันนี้ก็หมดเพราะคุณมาเห็ น, ห น, นด้วยตนเองแล้วถ้าคุณมาเห็ น, ห น, นด้วยตนเองถามแต่คนอื่นมา่ะชีวิตของคุณมีอย่างน้อยเลยวัดประพงษ์เป็นยังไงเป็นยังไงเขาอธิบายครไปนคนอื่นมาถามีวัดประพงษเป็นยังไงจนตายไม่รู้จากวัดประพงไม่ชัดเพราะอะไรเพราะไปฟังคนอื่นพูด เน่รู้ไหมรู้แต่มันไม่ชัดรู้รู้แต่ว่ามันไม่ถึงมันถึงมีปัญหาอยู่วันนี้พวกคุณทั้งหลายคงจะหมดปัญหาแล้ววัดประพง์อยู่ตรงไหนวัดบ้านพอนอกอเป็นอย่างไรท่านอาจารย์เป็นอย่างไรไหมปัญหาเหล่านี้พวกคุณทั้งหลายจบเพราะอะไรเพราะอะไรมาเห็นด้วยเองในตัวเอง จะเอาที่ไหนามารููอยู่มันก็สุดแค่นี้แหละอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะให้ภ า, าวนาให้มันเห็นชัดตัวเองถ้าไปเชื่อคนอื่นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจ่เห็นว่าคนยังงู้อยู่ยังง่เชื่อแล้วจะเอามาพิจารณาอีกให้มันเชื่อเกิดขึ้นขั้งที่สองตามเป็นจริงอย่างนั้นอืม อันนี้เรากับมอนกันเนะี่ยเนี่ยเรากับมันการเช่นอืมผมไปคิดว่าอ้ในเวลานี้นะ่ะคนทําบุญเห็นว่าบุญบุญมันดีดีใครก็ทําบุญทำบุญกันก็ดีอยู่แต่ว่าการละบาสนั้นไม่สมิงไอการละบาปนั้นมันยิ่งกว่าการกทาบุญแล้วการละบาปโจรมันละไม่ได้เห็นไหมแต่ว่ามันให้ทานได้บุญมันไปปูนได้มาแจกของได้สบาย นาะแต่ให้โจรไม่ให้กระทําบาปไม่ได้มันมีน้าหนักกฎกันอย่างนี้การทําบุญใกระทําเป็นเห็นไหมคือมันเป็นประจิจจัยแบบเป็นนานแล้วการทำบุญการละบาปนี่เอาสิลองสินะโจรทําไม่ได้ถ้ามันมีเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีนะโจรมันให้ทานก็ได้ให้ทําอะไรก็ได้เอาของคนอื่นได้แต่ว่าให้มันละความชั่วจริงๆหนะึ่งโจรไม่ยอม นี่เท่านี้ก็รู้จักแล้วการกระทํานี่กลมนกันการประพฤติปฏิบัตินี่กลมกันการฟังมันไม่ค่อยยากแล้วการกระทำจึ่รปรปรรเป็นยากไม่ทามันต้องเห็นโดยการกระทําไม่ต้องเห็นโดยการฟังแต่ฟังมาแล้วก็เห็นแต่มากระทําขึ้นหเห็นชัดกว่ไปกว่นั้นอีกมันเป็นขั้งที่สองที่สามแล้ว มันจะไม่มีปัญหาเอี่ยเรานี่ก็คงมีปัญหาอย่างนี้ตลอดไปเพราะ อ, อ่านตาราอยู่เว้ยอ่าอาจารย์นั่นว่าอย่างนั้นอาจารย์นี่ว่าอย่างนี้สาวกองนั่นว่าอย่างนั้นสาวกองนี้ว่าอย่างนี้งงมตัวเราในจริไงในไม่ไดูตับนะอพระโมกขนาอุตสันก็ดีทําเหมือนท่านไหมละ่ะภาษาทีบุตรอุตสันก็ดีเจมันดีภาษาทีบุตรดีพระโมกขนา เราเคยลงมือทํากันไหมล่ะยังเลยจะอ่านดูซะก่อนเีืยอกระจายก่อนเทานั้นคือมไม่ได้ทํากันมันแต่ฟังกันแต่แต่อ่านกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยไอ้ธรรมะที่เราอ่านที่เรารู้ตามความจริงน่ยมันจะรู้จักไหมคนอ่านตําราเป็นวิจารณ์เนาะคนเห็นโกรธจงละโกรธคนอ่านตารารู้ว่าโกรธไม่รู้เพราะมันโกรธอยู่ในตัวหนังสืออยู่เนีน่ไม่ใช่ว่ามันโกรธวิญญาณเรา นั่งก็ทิ้งไม่ได้ผมเจอไปฉันรู้จะฉันได้ไม่ได้ฉันรู้จะฉันได้ไม่ได้เมื่อฉันจะทําฉันก็ทําได้เวลานี้ฉันก็ยังไม่ทํานะมันก็เอากันอยู่แบบนี้จะทําไนมันนะอในเวลานี้น่ะผมเห็นว่าย้อนหลังกลับมาอยู่เป็นปกติเฉยๆสักเดือนต่อสี่ต่อสั่งอยู่ดีกว่า อืมาทําไม่ได้แล้วครับใครคนมีศรัทธาก็มาทิถ้าะกรพระขอฟังมาที่จะทํำกันอย่างเงียบๆที่ไม่ต้องพูดมากเลยต้ออะไรมันมากเพราะมาปฏิบัติให้มันมากเท่านั้นแหละเห็นมันเคยค่อยขึ้นมาดีๆนะถ้าเป็นแผลไปมันดีมันจะส่วนลึกๆอ่ะอย่าให้มันอย่าให้มันมาดีที่ปากแผลเลยอืมดีที่ปากแผลเนี่ยทางไหนไม่ดีอาเศษมาอีกผ่าตัดกันบ่อยนะไม่มีเหลือแล้ว เรามาตัดรากมันดีกว่าอืมไม่ใช่ว่าไอ้พูดธรรมะพูดอย่างนี้คนดูเดี๋ยวนี้มันดีได้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอระพุทธอืคคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนั้นเมื่อถูกอารมณ์พุ่มาคุมเหยียไว้เลยมันคุมมันเยียไว้เนี่ยตัวอย่างนี้มันกันเนี่ยไอ้ตัวธรรมะอย่างทรียิพานที่เอาดิพูดถึงพวามินพานอย่างนี้สัพควินพานเนี่ยมันยุ่งกันเลย บางทีให้โทษพระพุทธเจ้าอพระนิพพานเนี่ยท้าพระพุพทธเจ้าท่านดูแจ้งชัดทําไมท่านจึงพูดคุมเครือไปอย่างนั้นทําไมไม่พูดเลยผมแจ้งชัดด้วยละ่ะเนี่ยปัญหามันตรงนี้ดูดิดูดิดูดิดูดิสพ ม, มพระนิพพานพระองค์ท่านพูดไปคุมเครือคือจะบอกคนชัดไม่ได้นั่นเองแหละบอกคนชัดไม่ได้นั่นเอง คนยังพูดอย่างนั้นตัวหาว่าพระพุทธเจ้าเราโง่ไปแล้วอืมถ้าหากว่ารู้แจ่มแจ้งก็บอกให้ชัดเจนที่สุดคุณบุตรลูกหลานสงสัยทําไมเนี่ยไอ้อความเห็นมันเป็นเย่านี้เราไม่รู้สึกว่าไอ้คนตาบอดนี่เนี่ยมันบอดอย่างสนิทนะสีเขียวมันเป็นอย่างนี้มันพอไหมกับคนตาบอดสีแดงมันเป็นอย่างนี้คนตาบอดรู้ไหม เราบอกสีมันชัดเจนเท่าไรมันก็ บ, บอดอยู่ยังไงเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยเพราะจามันบอดมันอนเดิจะหาว่าเราไม่บอกชัดยังไงได้นี่กว่ามันสัน่สีแดงมันจะเงี้ยพระพุทธเจ้าบอกแต่คนนั้นไม่รู้จักมันมืดไอ้มืดด้วยปัญญามันมืดยิ่งกว่ามืดตาบอดเลยนะอ่เนี่ยไม่มีทางอะไรอืมมันไม่มีทางและไม่มีทางอืม เพราะว่ามันเป็นปัจจัตังเรติโตโพวินโยหิดินชูวินโยชนจะรู้เลยตนเองท่านบอกให้ไปรู้เลยตนเองอืมมันก็หาว่าพระพุทธเจ้าโง่ถ้ารู้อย่างเต็มเตี่ยนบอกก็ไม่ชัดที่สุดมากอยากจะรู้ก่อนอครับว่าที่จะพาเข้าไปหรือให้เข้าไปถึงนีมันเป็นยังไงนั่นเลยนั่นนี่ก็ตอบคนไม่ถูกนั่นแหละคือตอบถูกแล้วเขาไม่พอใจอันนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราโง่เองหาว่าคนอื่นโง่ อย่างคนตาบอดบอกสี่บอกสีให้มันชัดสิสีเหลืองคุณก็บอกว่าไอ้เหลืองแท้ๆไปถามคนตาบอดสิมันรู้จักไหมยิ่งบอกคนก็ยิ่งไม่รู้จักนะเราจะแก้ไข ย, ยังไงดีเราต้องย้อนกลับมาจู่ตาคุณทําไมขี้บอดมาพูดถึงเรื่องดักษาตากันดีกว่าขอให้ตาคนดีเถอะสีแดงสีเขียวผมไม่ต้องสอนหรอกคุณจะรู้เองมันจะเป็นเนธรรมนองนี้ เห็นไะหอย่างนี้รต่วังคับว่าให้เราบอกสีแดงคนตาบอกดูชัดเดียวนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรต่หาว่าพระพุทธเจ้าของเราไม่รู้พระนิพพานตามเป็นจริงถ้ารู้ตามเป็นจริงถ้าไม่บอกไม่บอกให้ชัดบอกสีให้คนตาบอกเดี๋ยวมันชัดดูสิใครจะบอกได้ชัดนี้ไหมก็ตามันไม่เห็นเนี่ยมันจะชัดได้ทาไมมันจะรู้เฉพาะมันเท่านั้นอะตามความจริงของมันเนี่ มันไปในรูปนี้ถ้าคงกูไอ้ความคิดตรงคนเป็นที่นคนเรียกว่าไอ้พระพุทธเจ้าโง่ไม่จริงเ่ยนี่ไอ้ตัวเราโง่ก็ยังบอกคนอื่นว่าโง่อยู่แบบมันเป็นเรื่องไงฉะนั้นมันเป็นเรื่องการกระทำที่สุดเป็นเรื่องการกระทำธรรมะแท้ๆเนี่ยกรร็รเรียกว่ามีอุบายทั้งนั้นแหละอืคุณเน่ยยังไม่เห็นอะไรอยู่ในท่าหลังเนี้ย ผมเห็นพระโพธรูปอยู่ในนั้นอ่ะอยากให้คุณไปเห็นตลาดพระองค์ในี้ในในในโบสถ์ตั้งนี้ผมจะต้องหาอุบายให้คุณเข้าไปในสลานั่นนี่เห็นไหมเออบอกเท่านี่นะ่ะพระโพธรูปยังโบสแต่เป็นรูปนั้นสถานนี้ให้ขอคุณเขไปในสลาเถอะคุณก็ยังไม่เชื่อต้องหาอุบายตั้งหลายให้คุณเข้าไปในสลานี่เท่านั้นแหละเมื่อคุณเคไปถึงสลาแล้วไปเห็นพระพุทธรูปแล้วคุณจะนิสัย มันยากที่ปากกรอกนี่มันไม่เข้าไปไ ม, ม, มันไม่ยอมรับมันเชื่อแน่นในตัวของมันซะมันหาว่าไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลตัวเราเองไม่มีเหตุผลมันก็หาว่าคนอื่นไม่มีเหตุผลจ ะ, จะไปโทษใครล่ะแล้วจะไปโปรดคนได้ยังไงล่ะมันโปรดคนได้จะคนที่กระทำคนที่ไม่ทำมันตทวไม่ได้เนาะ เป็นปะทะประมากบุคคลอืใครเป็นปะทะประมาบุคคลไทยไหมคนไม่ได้เรียนหนังสืออะไรไหมจบล็อกเตอร์เลยก็ยิ่งเป็นปะทะประมากเลยเห็นไหมเออคนอยู่ป่าก็เป็นได้คนอยู่ป่าไม่เรียนอะไรก็รู้ธรรมะได้อ่ไม่เป็นปะทะประมาเป็นอุกติเตียยูได้เลยคนอยู่ตามป่าไม่ต้องเรียนนะบางคนนะไม่ต้องเรียนมากเนาอาศัยการเรียนอย่างเดียวไหม ถาเราเรียนจบจนศาสตทุกอย่างจบลอกเซอร์ก็ยิ่งไม่เชื่อใครทั้งนั้นอ่ะยิ่งเป็นพระธะรรมาถึงที่สูดก็ได้มันจะเป็นเปใ น, นท้องนี้ทํานองนี้เขาพูดธรรมะมัน ต, ต้องไปอย่างนี้อืมมันยากคนคนผมพีน่าว่มามันยากมันยากสายเพราะคนมันไม่รับมันชอบชอบง่ายๆําเดียวนี้ผมอยาะได้ยังผมไม่ต้องการเดินช้าต้องการเร็วเร็ เคยมาถามผมบ่อยๆอ่ะนักศึกษามาลุงพ่อจะทําไงมันรู้เร็วเร็วอ่ะเร็วที่สุดทําไงเร็วที่สุดก็ไม่ต้องทำกันเท่านั้นแหละก็เร็วแล้วเนี่ยเรืองกันเท่านั้นนะนี่คือเร็วที่สุดละนี่ก็เรืองกันเท่านั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรแต่ก็ทําอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> อ้าวลองดูสิละ <c oughs> ่ ะ, <c oughs> ะอ่าบ้อ แหมเดี๋วนี้จะพูดว่านักปฏิบัติทะเลาะกันเองนี่เยอะแต่ว่าได้ครับไ้เพราะว่าแต่ละทัศนะของสำนักเนี่ยมีมาไม่เหมือนกันหนักวันหนักวันแล้วสมถะก็ยังทะเลาะกับวิปัสสนากันอยู่บ่อยๆอย่าไปเสียงเขาเลยผมไม่เสียงผมไม่เสียงใคร่แล้วใครคนนี้ก็เอาสึงร้องไม่ตรงมากครับผมทําอย่างนี้ท่านคนชอบใจก็ทําไม่ทําก็ ก็ช่างผมผมทอย่างนี้มันมีทธิกฎหมายท้องมัานเมืองเ้วผมก็ทำํำผมผมไปแต่นี้อยู่สบายแล้วก็เอาถูกไม่ถูกไม่รู้เรื่องผมเห็นอย่างนี้ออเอดีตเยอะแต่สมาธิเยอะปัฒนาเยอะยุบหนอแล้ ว, อลวพองหนอแล้วบพุทธโทเทโมเลวุน้นเดี๋ยวก็เป็นว่ากันหมดทั้งโลกตอนนอ้นเนี่ยลองดูสิอืมันเกินไปพวกเรามันเกินไปนับวันะนับวัน แต่ว่าคนชอบเหลือเกินชอบอยากปฏิบัติชอบเสียงชอบถามชอบอะไรมุ่นตัวนี้นี่มันก็ชอบถามชอบภาวนาสันเยอะนี้คืออะไรนะไฟไ ฟ, ไฟจุดมันอาไฟจุดจุดมันมันร้อนร้อนไม่รู้จะแย่ใครตรไห น, นเห็นไหมาการทําำลมเสียนนี่มันสงบเห็นว่าการ ท, ำาทํำสมาธิมันสงบมันก็นึกว่าเออเออว่ามันสงบไปสงบไป มันก็คิดว่าไปนั่งมันจะสงบเลยกิ่งมันก็ไปนั่งพขนั่งคุกกําหงรถจิตเป็นหนึ่งมันยิงไฟกันใหญ่เลยทีนี้เห็นไหมเออไม่ใช่แล้วพวกม ก, กี้โกหกผมไปนั่งดูแล้วสมาธิจิตผมมันไม่อยู่เลยพูดวายิ่งยิ่งไล่ก่าเราไม่นั่งเลยพวกมี้โกหกกมรมฐานแม่เห็นไหมล่ะจะทําะไรมันล่ะเราคิด มันเป็นซะอย่างนี้ซะมันเป็นเพราะความหยากปัญหาของเราเพราะความหลงของเรานั่นเองละมไม่มีแล้วดูในครังพุทธการดีนองๆองไปดูไปดีท่นานปฏิบัติยังไงทำยางไงเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไปอ่านหนังสือฟังแล้วส่มาสอนกันเท่านั้นแหละไม่รู้เอาความรู้จากไหนมาสอนแต่จากตำรามพิษก็พิษไม่รู้เรื่อง คือไม่เกิดจากจิตของเ้าของเคยเห็นไหมอ๋อไอ้พู้บ้านนอะนพู้แทนนะไอ้ผมเป็นคนดีช่วยไหมพ่ะนะาสาวทุกคนทุกคนเลือกผู้แทนมากี่ปีมาแล้วนะดีขึ้นนิดเดียวหรวอจะเพราะอะไรเนี่ยเพราะคนอยากจะเป็นผู้แทนอืมใครจะไม่อยากที่ไปเป็นอย่างนั้นน่ะต้องอยากจริงๆตามธรรมดาคนอยากมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น มันคุมความอยากไม่ได้ไอคนมานี่ไอผมดีที่สุดแล้วใครก็ดีที่สุดจะทำให้ดีที่สุดเชื่อทุกคนเอาทุกคนแต่ว่าพึ่งที่สุดแต่รอต้นตลอ ด, ดปลายไม่นี่คือพุทธชนไปเป็นพุทธชนไปเป็นไปทํามันก็เป็นเรื่องของอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ให้โทษเขาหรอกมันเป็นอย่างนั้นอืนี่ถ้าเป็นพระอรหรันต์เนี่ยทางตอไม่ไปเป็นเนาะมีวุ่นวาย พูดไม่ได้พระอธิษฐานไปเป็นผู้แทนเนยมึงก็เลยเจอคนโรคๆไปเป็นผู้แทนมึงก็เล่นก็ไปตามโรคอะไจะให้มันดีขนาดไหนเนี่ยมันจะดีขนาดนั่นแ่ะอยังยังยาทุกขนาดเนี่ยมันก็ดีขนาดมันก็ดีเท่ายาเท่านั้นแหละไม่มียาตันตายหรอกยาเพื่อบรรเทาโรคนิดหน่อยเท่านั้นแหละมีน้ําซ้ามันจะเอาหมอไปด้วยด้วยใช่ไหม มันก็เป็นเรื่องของอย่างนี้แหละอย่าไปคิดเองมันมากมายเลยอืมเราหาความสงบคือคิดไม่ถูกปุ่มมันอนี่เป็นเรื่องอดทนเยวะนี้มันอดไม่ไหวแล้วมันจะแตกเดืน้นะแต่ก่อนอยู่ในรูมันร่อนอดทนเียอนี้มันท่นไม่ไหวเลยนนี้นะมันต้องมันต้องตายออกมาออ ก, ออกมานอกรูละเดยอเนี้ออกมาจากป่าออกมาจากสถานที่ออกมาพูดกันเแล้ว มาจัดแจงตามเรื่องของมันเนี่ยมันอยู่ไม่ไหวแล้วอย่นี้อย่างนี้อนอนไอ้คุ้งที่รู้ที่ว่านับถือพุทธศาสนาพุทวันเนี่ยพุทธบวิสาดเองละอ่ะ ม, มันไม่ถึงจิตใจของเราหรอกไม่ถึง จ, จิตใจจิตมันไม่เป็นพุทธศาะสนาสักคนนะ่ะน้อยถ้าอาจารย์เป็นพุทธศาสนาใช่ไะมบางคนพลังมันก็นยอมมันถามนะ น้องพ่อเรียนมารู้มาดีแล้วทำไมจะมาอยู่ในป่าเนี่ยอยู่ในป่ามันคนตัวน้อยเห็นไมจะเอาเราไปฆ่าเห็นไหม mm hmm. ต้องไปอยู่ในกรุงในเมืองหลวงใหญ่ๆโปรประชาชนมันจะเลี้ยงขวังฟวงดีเนาะท่านอาจารย์มาอยู่ในป่าเพราะว่า ม, มีประโยชน์น้อยเพราะคนมันน้อยมันจะรอด mm hmm. นะเราไปฆ่าเห็นไหมเราไปพูดอยู่ในที่จเจริญกว่าเป็นบ้าอย่างนั้นเนาะ พระที่บา้ามาแล้วพระที่บา้ามาแล้วพระที่บา้ามาแล้วอะไรก็ไม่เป็นของตัวของตนทั้งนําบ้าทั้งนั้นใครก็ว่าบ้าเท่านั้นฝังมันจะโกโหกเราไปฆ่าเนหะ็นไหมเห็นไหมบางคนก็ไปฟังก็เข้าไปเนี่ยจะไปแก้สถานการณ์อันนี่นะี่จ้าอาจารย์อสอนฝรังเรื่องวิพากว่าอย่างไรคืองผมไม่สอนนอกใครมันจสงบช น, นะ <c oughs> ใอแม่นมีความบาขึ้นเท่านนะั้นแ่ะไม่แต่สอนมันมีนมีตัวมีตนน้อง อคุณจะต้องทําอย่างนั้นเป็นว่าผมสอนก่อนให้คุณอ เ, เอาเขีว่วไปที่มาตั้งไว้นี้สองนาทีจะยกมาตั้งนี้เดี๋ยวสองนาทีมดนสองนาทีจะยกมาตรงนี้นี่ผสอนให้ให้คุณทําอย่างนี้อืทําทําไมอยา่าพูดสิให้ทําอย่างนี้ก็พอแล้วพูดไปทําไมามีพวกลูกมันจะเกิดจากนี้ อ๋อมาถามผมทามันเป็นอะไรอย่ามาพูดสิคุณมาเรียนนี่หน้าที่ของคุณจะต้องยกแก้วใบนี้มานี่ยกมนันเท่านั้นเองปัญญาจะเกิดตรงนี้เข้าใจไหมอืมเนี่ยมันจะย ก, นยกทานี่แม่ยกทานี้ทำอยู่หลายเดือนหลายปี ท, ทาให้เกิดอะไรนาะมันก็เกิดปฏิจจิยาขึ้นดความรู้สึกขึ้นอี่สิเห็นไหมปัญญาก็เกิดสมันทุกข์นี่ เดีมาถามเราสมัยกําลังทํอย่างนั้นมาถามอะไรเดี๋ยวนี้ถามได้ดิหน้าที่ของคุณไม่ต้องถามผมเลยไอ้คุณทําเท่านั้นอ่ะผมตอนนี้ยังคุณต้องทําอย่างนั้นเท่านั้นนเรื่องเงินไม่มีหน้าที่ของคุณมีเท่านั้นอยายกแก้วไว้นี่มาตั้งนี่สองสองนาทีหมายความอยังไงเดี ok Hello, ๋ยเขายกไปตั้งสองนาทีแต่ยกไปยกมาอย่างไงอย่ามาถามทำทำอย่างนี้ให้มันเป็นอะไรทาสมัยอย่ามาถามเลย หน้าที่ของคุณให้ทาอย่างนั้นตอนนั้นเดี๋ยวทําไปมันก็เกิดความรู้สึกเองมันนะมันจะรู้สึกเองมันถ่ายมันตรงนั้นต้องทนนะคนทนมันต้องรู้อะอย่างนั้นอืมเนี่ยจะรู้ในตอนเบื่อขึ้นหมเออไม่รู้ล่ะทําไปเถอะถ้าทนน่ะถ้ามันจนรู้อะมันจะรู้ตอนไหนก็สั่งมาเถอะอืมเนี่ยอย่างก็ประบัาธนาไปทุกวันอย่เหมือนกันเรา ผมว่ามันเห็นอะไรขึ้นมาในอารมณ์ทั้งหลายแต่ออันนี้มันไม่แน่เพราะนี่ก็พอแล้วอารมณ์ดีเกิดขึ้นมันไม่แน่อารมณ์ร้ายเกิดมันไม่แน่ไอคนนั่นน่ารักเรารักไม่แน่ไอคนนั่นเดินก็บอกมันน่าน่าเกียดมันก็ไม่แน่เมันกันนี่ยันมันเข้าข้างไหนทั้งนั้นเนี่ยไม่แน่ถึงเรื่องมันไม่แน่แต่ไม่ได้เข้าเรื่องเน่ยเพราะมันดีนี่ถึงนั้ะเอออันนี้มันก็ไม่แน่ ดีเกินไปหรือคุณจะสมายนั้นมันเกิดโทษ <c oughs> ชั่วเกินไปมันดีไหยไม่ไปเนียการอยู่นีน้มันจะเป็นการมาสุ ข, ขนันิการมีโคในตัวมันอัตญาธรรมธาีายโคในตัวมันนะถ้าคุณวางทางดีทังชั่วคุณจะไปอยู่ตรงไหนล่ะดูเท่านี้ก็พอแล้วมันก็ไม่ไปดีไปชั่วเท่านั้นมันจะเป็นอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรเท่านั้นเนี่ยใครจะกำหนดได้มหมนะใคจะมารูได้อย่างนั้ น, นก็ต้องทําอย่างนี้อืม ลองลองดูสิจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่แน่จริงๆแล้วน่ะเราจะไปยึดอะไรมันเรนาก็วางมันไปไหนให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันทิ่ส่วนแก้ไขก็แก้ไขพอสมควรไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจมันอันนี้มันกว็ไม่แน่อันนั่นก็ไม่แนี่มันก็หมดราคาแล้วทีของมันไม่แน่นเข้าใจใครจะไปเอามันล้วอันนั้นก็ของเสียอันนี้กับของเสิดใครจะไปงมกัของเสียอยู่นัก อันนี้มันไม่เนี่ยนั่นไม่เดยจะไยึดมันหมมันมันทำไมมันไม่แน่เรารู้มันของหมดราคาแล้วนั่นเอาไปทําไมเมื่อเราทิ้งทั้งสองอย่างเมื่อเข้าทางมันจุ้งไอ้เรื่องที่มันไม่แน่น่ะมันบังคับให้เราเข้าถึงควมแน่มันต้องทําอย่างนี้ครับของบ้าถ้าใครทำยังงี้เอาเป็นเป็นเลยภาวนานี่ไม่ต้องไปเรียนอะไรมากมายหรอกครับอืมเดินไปธรรมยูธรรมชาด้วยไม่ต้องบังคับอะไรมันเลย วันนี้มันสั่อาหารอร่อยดีสุดแน่ไม่แน่เราทานห้มันทางควรมันเลยเนี่ยอาหารนี่ผมไม่ชอบด้วยไม่แนหมือนกันนี่จะไม่ไหแน่จะไม่รับเอามันทั้งนั้นเนี่ยอะไรตัวไม่แน่ไม่แน่ตังวมันกูวางของไม่แี่จะไปทําไมเนะอืมันก็ลงทางที่มันแน่เท่านั้นแหละอันนี้เราไม่ทําไปฮาถามคนโน้นคนนี้ใครจะรู้บอกว่ามันทำไม่ได้มันจะเกิดสิ่งิดต้องเกี่ยวกัของแล้ว มันเป็นเรื่องของอย่างนี้อลองลองลองดูสิลองดูมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่เอามากหรอกพอทีละคนสองคนเท่านั้นแหละเบื่องแรกมาจะมีปัญจา ว, วัคคีห้าเท่านั้นแหละ ไ, ได้ไปปล่อยอะไมากมายหรอกแต่มารู้สึ่ในการประทําถ้าคุณมาทำอุเนียถ้าคุณเห็นความจริงกันเนี้ยอย่างมาทําไป ม, มันได้แก้ไว้นี่เกิดขึ้นมานะ่ คุณเห็นชัดในแก้วใบนี้เปิดขึ้นมาอย่างนี้สมมุติว่าคุณก็ต้องดีใจแล้วหน่อยต้องพยายามละชีวิตทำให้ในแก้วใบนี้ไ อ, อคนอื่นเขาไม่รู้จักทาทําไมเขาไม่รู้จักเขาก็มีนิสัยเราคือเห็นแก้วใบนี้เราก็ไม่ถอนเราคนหนักก็ไปยื้อยื้ยีเท่านั้นเน่ยมันเห็นผลพอแก้วใบนี้คนไม่เห็นกับเรานี่เราเห็นตัวคนเดียวเอ การปฏิบัติมันเกิดหรือมันเห็นเราคนเดียวเท่านั้นดิเจะพูดให้ใครฟังน่ะพูดให้ฟังก็เขาก็รู้แจะเขาไม่เห็นนี่มันเป็นแต่ อ, อย่างนี้มันขาดไปอย่างนี้เราเห็นว่าอันนี้มันไม่ได้เรากระที่ยงเหมือนกันผมว่ามาอุตส่าห์ทำอย่างนี้ยไม่ต้องคิดไปอะไรมันมากมายแล้วเอาศีลสมาธิปัญญาของเราพระอินทร์เรานี่ปฏิบัติตรงนี่น่นะมันจะมาได้แง่โนบไหนอาจารย์อะไรก็ช่างมันเถอะ สอนก็สอนหาอุบายให้รู้จักทางเท่านั้นอ่ะให้เขาไปทําอืมหาอุบายให้มันทําอย่างนั้นให้มันพอใจทํากันอย่างนั้นมันจะรู้เองมันธรรามันพอใจทํำนี่มันไม่เห็นนะเฮ้อจะนี่เป็นที่เราอยากเร็วมันมันเป็นต้นหาหรือเปล่านรับครับยอมรับครับแต่ก็อยากจะก้าวหน้านั่นแหละมันผิดตรงนั้นแหละมันจะก้าวเองมันติด ท่านปลูกต้นไม้วันนี้พรุ่งนี้ท่านอยากจะได้ผลมันจะได้ไหมมันเป็นหน้าที่ของต้นไม้ไม่ใช่หน้าที่ของท่านหน้าที่ของท่านไปปลูกมาแล้วเอาน้ําไปร่มันเอาปุ๋ยใส่มันเท่านั้นเน่ยมันจะโตเร็วโตช้าไม่ใช่หน้าที่ของท่านมันหน้าที่ของต้นไม้ท่านจะไปยืนบนอยู่จนตายมันก็มีด้วยใจของท่านหรอกถ้ามันนานโตแล้วท่านจะไปคิดเองไหมบินตรงนี้มันจะไม่ดีมั้งนี่ถอนต้นไม้ไปปลูกไปใหม่ กําลังรากมันจะออกไปไปถอนหาีหิละไปปลูทกที่นั่น ม, มันก็เช่าอย่างนี้ะนะคนมั น, นะมนจะไปเล่นเอออันนี้มันไม่โต น, นานโตอ้อดินตัวนี้ก็ไม่ดีอีกอได้ถอนไปถอนไปในสายเลยที่ต้องกินผลไม้มันกินผลมากท่านอยากเร็วทําไมท่านอยากช่ามันก็เป็นปัญหาท่านอยากเร็วมันก็เป็นตัญหานี่ท่านจะปฏิบัติตามตัญหาหคือปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็เอาสิ ลองรู้สิก็เราเดินในถูกเองของเราเนี่ยเราต้องใช้ความอดทนไว้สิ ท, ำทํำสิเราอืมปฏิบัติธรรมะสิถ้าถ้าถึงที่มันธรรมะไม่นี้เนาะไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องอดไม่ต้องกั้นที่ท่านกําลังพยายามเนี่ท่านยังปฏิบัติธรรมะท่านยังไม่ถึงธรรมะท่านเอาธรรมะไปเป็นคู่มืออยู่ตอนนั้นเนี่ยเมื่อท่านวางแล้วนั่นไม่ต้องอดไม่ต้องกั้นไม่ต้องอะไรแนตะ่มันหมดนันเป็นธรรมแล้วน่ะเห็นไหม อันนี้เดี๋ยวเดมันช้าไปมันไวไปเดี๋ยวมันช้าไปมันไวฉันจะรีบไปไหนล่ะให้หยุดสิให้หยุดดูให้หยุดทำสิอันนี้เพราะตัณหานันแหละมันส่งตัวเราไปไม่ถึงที่มันอะอยากจะเป็นโน้นอยากจะเป็นนี่อยากจะเป็นนน้นอยากจะเป็นไม่อยากจะนโน้นไม่อยากเป็นนี่อยากเป็นนน้นอยากเป็นนี่ไม่ใช่ตัณหาดิเนี่ยออย่าพูดโดยตัณหาอย่าทำโดยตัณหาอย่าคิดด้วยตัณหาอย่ากินโดยตัณหาอย่าทําด้วยตัณหาเนี่ย เรามันทําด้วยตัณหาไปทั้งหมดทั้งรุ่นมันี่ใจมันพบไปโกล์ปิงเมื่อไรใจหมดเมื่อไรเมืเราเลี้ยงมันไม่ทุกวันนะเอาอาหารนี่มากินทุกวันตรงอยากให้มันตายที่มันจะโตกันเท่านั้น้องลองดูสิเราไปคิดอยู่ทุกวันเราทําเพราะอะไรนี่ถ้าไม่สบายมันจะทําด้วยตัณหาทั้งนั้นน่ะสันลองลองดให้ไปคิดดีๆเออไปดูดีๆเออเอออาจารวางมาทําหยุด ขี้เกียจก็ทําขยันก็ทําทําอย่างท่านว่าเนี museum, ่ยขี้เกียจไม่ทําขยันจึงทํามันก็ปฏิบัติตามตันหาเท่านั้นแหละมันจะทําตามพระพุทธเจ้าเมื่อไรล่ะือขี้เกียจก็ชังมันขี้เกียจก็ทําขยันขยันก็ทําไม่ต้องอาศัยมันอย่างนั้นนะอันนี้เราสอนขี้เกียจไม่ทําไ่ขยันจึงทํามันก็ทําตามใจจาของเท้านั้นไม่ได้ไม่ได้กราบพระพุทธเจ้าหรอกถ้ากราบพระพุทธเจ้าขี้เกียจก็ต้องทํำ ขยันก็ต้องทำทําตามคํำสอนของท่านมันจะเกียจชีวันมันจะขยันชีวันดูลักษณะมันจริงเลี้ยงก็ขยันอยีเลี้ยงก็ตีเยจหยีมันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเราทําตามใจกันหรอตีเกียจต่อไม่ทาขยันถึงทํานั่นแหละเด็กกลับเด็กกับตั้หาทุกเวลาให้ไปคิดดูนะคิดนาดูนะ ผมก็ตามดูมันมานานนะคร บ, <Yeah. S 1> บวดนี่ผมก็ตั้งใจที่จะปราบมันให้อยู่นี่ตามดูแล้วรู้สึกก็แหม่มัน mm hmm. แล้วผมแล้วผมมากนะครัพระหม่ใหม่ที่บวชนะฮะมาจากษายปริบธรรมครูบาจ า, จารย์น้าแต่หลวงปู่มันน่นเป็นต้นแบบตมาง ก, าก็เห็นว่าครูบาจารย์ที่ท่านสําเร็จทำนั้นท่านแรกมันคือความลําบากเออเล่มที่หาความลําบาก ท่านทำกันอย่างไงเนี่ยนะในครั้งพระพุทธเจ้าของเราจะจัดรู้นะท่านเป็นนั่งอนะงีู้่บนโคอิ์นะท่านเป็นชันอาหารสีวันเท่นั้นทอดทนมีความปรารถนาอย่างไรไหมนั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมสำเน็จภารหัสจารสมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากที่นี่เลยเลือมันจะไหลออกมาหนังมันจะแห้งกว่าช่างมันเถื่อยอมรับเลยอันนี้มันเป็นคําของพระพุทธเจ้าเรามีศรัทธามาบวช ปัญญาไม่มีพอไปอ่านหนังสือถึงตรงนั้นโอ้พระพุทธเจ้าทำเก่งหมดดีเราก็เอาอย่างนั้นนีดนะเอานะนะพอบวชปัญหาดี๋ยวังไม่ถึงปัญหาหรอกบวชจูงศพกูเหมือนกันนไปอ่านถึงนี่หรือไปทำเลยงจุดทูบลงสักดอกหนึ่งสักไม่ต้องเอาหลายแล้วเอาทูบสักดอกนะนะ ถ, ถ้าถ้าทูบนี่ไม่จบจะไม่ลุกจากที่นี่เลยมันจะตายก็เห็นมันตายมันจะ ไปเอาคำของพระพุทธเจ้ามาว่าประธรรมส่ใส่เข้าไปเต็มที่เลยนะทูกยังไม่ได้ยี่เซ น, นเท่านี้นี่วามันสามชั่วโมงแล้วเหงื่อมันไหลแล้วลืมตาดีตามาดูโอ้แม่ตายสมุดนี้ทำไงรับก็ไปอีกสองทีสามทีทูกก็ไปหมดเลยไม่ไหวเราเจ็บ <c oughs> โดยตายบุญวาสนาไม่มีนะไปคิดเอาอย่างนั้นเราน่ะ ออเออพระเจ้าจันทร์ทำมาเท่าไรเมื่อไรเขามามองมองดูแล้วถ้าพระองค์อยากจะนี้ไม่อยากจะโปวดสาถึงไห ม, มท่านพิจารณามาแล้วแม่ศาสตร์พิจารณาสรรมคิดมันหนักมันนาะไม่ใช่มันมืดอะไรมันพ้นมืดไปูนะ่น่ะพูดไปรู้เรื่องคนเท่านั้นนะท่านพิจารณาไป่ึ่งพิจารณาเราบวชดีเราเห็ะนะห ใช่ไหมท่นจึงอุตสามาโปรดสัตว์นี่เราก็ไม่ถึงนั่นหรอกเรามาพิจารณาจะให้เรามีสินห้ากันท่านลองดูสิย่ีงนี้หะเทศในจสินห้าเนี่ยถ้าว่าไม่ไหวอยู่ในโลกเปล่าอย่างน้อยกัท่าอะไรที่มันมีสำคัญนี่อือก็ให้มันงดกันซะเท่านั้น ไม่มีรถไม่มียอดในอยู่อย่างงั้นเนี่ยเป็นนายขุ้งหูยยิ่งทาไปอะไรก็ยิ่งทํากันไปเรื่อยๆตัวเลยเรียกว่าไม่มีกิริยธรรมในใจของเจ้าของเจ้พูดเป็นกลาดก็เป็นไหวก็เป็นชวนก็เป็นอะไรก็เป็นเป็นหมดแค่ใจมันไม่เปลี่ยนเลยมหาจะไม่เป็นมหาจะไมา่ศึกมาไม่เป็นประชินธรรมเออ ฐานรู้แล้วจะปฏิบัติมืออะไรก็ได้เดี๋ยวนี้เป็นโลกก็ก่อนเรียนมาเปยนนึงจะทำไงมันถ้าพูดอย่างเนี้ให้มันเย็นนะเราจะไปอะไรมันมากมายเยอะอันนี้เราเข้าใจว่าโลกนะแล้วอย่าไปทําให้มันเสมอไปเราดูมือเราจริงทําไมมันไม่เสมอกไปถ้าเรามาคิดว่านิ้วมือของเราทําไมไม่เสมอเนาะ คิดไปแล้วก็เป็นบ้าเห็นไหมอยากให้มันเสมอกันใครเื็นคนทำเนาะทาไมมันไม่เสมอกันนาะมาคิดแบบนี้อยากให้นิ้วมือคนเกิดมาให้มันเสมอกันทุกคนถัาหนูก็เป็นบ้าแล้ยอันนี้คือความจริงธรรมชาติมันจะ น, นี้เนี่ยมันมีประโยชน์ส่นของมันแล้วเนี่ยนิ้วนี้มันประสานนี้มี่ประ ส, รนนระสรนนานนี้มันประสานยาวก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นเอาเท่าที่ควรมันจ้ะ นี่วสั้นมันมจมนจะมันจะมีประโยชน์อย่างน้อยก็แฉกีจะมูกก็ได้จะ ต, ต้องเอาไปอะไรมากมายหรอกมันมีประโยชน์ทุกอย่างนี่อันนี้คนคนทุกคนอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยไปตัดเป็นเหมือนกันทุกค น, นออลองลองดูสิพระพุทธเจ้าสมัยคิดอาง น, นเอาสิงที่ควรได้ถ้าหากว่าเขายังไม่เชื่อเรานั่นครูบาอาจารย์บางคนก็ เ, นเรียกว่าคนมันเขามันโง่ไอ้ควมปจริงเราโง่ มันให้อุบายเขาไม่ชัดจะต้องภาวนาเขาสิอืจะทําอะไรให้มันเชื่ออย่างอื่นทาไมเขาเชื่อล่ะเขาไม่เชื่อเราเขามันจะไม่เชื่อเราทั้งมันเมาเขาจะไมเขาเชื่อเราไม่ดีวกว่าเราเด้อแล้วต้องปรับปรุงตัวเราขึ้นให้มีปัญญาหาอุบายสอนคนนั่นดีท่าเราดีไหมะจะเพิ่งไปตัดเหยคนเปม็มยังงโลกก็สินี้พระพุทธเจ้าหลายพระองค์ก็ทิ้งอยู่เย่างนี้โลกจะไปหอไปที่ไหนกับงั้นมันจะหมดเชื่อมัน ดัานเป็นของมันอยู่อย่างนี้เพราะนั้นอย่าไปห่วงมันมากเลยเอาอพอสมควรซะเอาตัวและเอาคนอื่นที่พอเอาได้จะเอาไปแต่สิ่งที่คนทิ้งก็ทิ้งสิ่งที่คนเอาก็เอาอยาไปเอาทั้งหมดไม่ได้แล้วบางคนคนทกว่าเออจิตของเรามีศีลธรรมยี่จะไปพูดจะมีศีลธรรมทั้งหมดพูดง่ายอย่างอนั น, นเสนาสารเห็นไหอจะพูดอนันตเสนาสารไม่ฟังหรอ เคยมาฟังทําผมเป็นเจเป็นโยมนั่งเงียบยงไปอหนวะ อ, อยากจะทําให้มันลากหมดทุกคนหนึ่งเนี่ยอืนนี้วะเออไอคนนอนเนี่ยบางทีมันคิดเกินไปอืมนยันคิดเกินไปก็อยากใหมันเดียบร้อยไม่ทําอย่างนั้นก็ไปทําดีกว่าเนี่ยตราตรึงเงินซะคงจะ <c oughs> งปล่อยไว้ถึงมันแกมาบวชจริงสมุนธ เทพในประชาชนนั้นเชื่อมั่นเนี่ย อ, อมันจะตายอะไรตัวนี้นะคนทีมม่บอกว่ า, วาไอ้งัวสองตัวมันลากเวียนลำเดียวงัวสองตัวมันลากเวียนลำเดียวมันช่วยกันลากมันก็เบาอันนี้เราไปคิดเท่ น, นี้แหละงัว งอสองตัวไอตัวนั้นมันมเร็วเราเร็วคนเดียวเราลากลากลากงัวตัวนั้นอีกลากเวียนลำหนึ่งอีกงัวตัวเดียวลากเวียนลำหนึ่งแล้วก็ลากงัวอีกตัวหนึ่งมันจะไปทึ้งแค่ไหนลอง อ, อูถ้าหากว่าถ้าเราเร็วเราหย่อนประมาสักหน่อยหนึ่งให้งัวตัวนี้มันเสมอเราเราก็ไม่หนักม่นก็สบายอยานี้ ถ้าเราดึงไปคนเดียวดึงไปดึงไปคนเดียวเนี่ยไอ้ที่เราดึงไปนี่นะมันเสียนทางลำหนึ่งหัวอีกวหนะ่ลากมันหนักด้วยมันเบาถ้าเราถอยมันไปเสมอกันนี่มันจะดีกว่าดีไหมอือจะเป็นหัวสองตัวรากเสียนลำเดียวกันมันจะเบากว่ามั้งเบากว่างัวตัวเดียวลากากเสียนลำหนึ่งแล้าลากงัวอีกตัวหนึ่ง นะวันนั้งกลับมาอันนี้ไปจัดใจของท่านก็ท่านไปทําแล้วอืมนั่งภาวนาคืนนี้อย่านอนเนะอุบาสิกาคนนี้นะอย่านอนมันอยากนอนตีคนนอนก็นอนอมันนอนก็าบอกเขาทำไม่เก่งไม่ตั้งใจทุกคนมันเป็นอย่างนั้นหลายคนเนี่ ย, ก, ะะยก็ไปไม่ไหวตะโกนอยู่เรื่อยๆดึงมันก็ไม่ไปมันถึงแค่นั้นเนี่ยนะ ก็ดึงเป็นเหนื่อยทีมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยถ้ามันเหนื่อยมันคงจะนึกถึงตัวเราแล้วมั้งไออันนี้เรามันลากเกียนอลังหนึ่งแล้วมั้งลากงัวอีกตัวหนึ่งแลมันมันจะถอยถอยกลับมาไ อ, ไอไงัวอไอสองตัวมันลากเกียนลังเดียวกันไม่ไมีมดีนี่บันนั้นกลับมานี่คืมาสึกสั้นอยากจะมาฟังธํามผมล่ะเพราะไม่มีทําแล้ว มีเดบุบายพูดแต น, นั้นแะลองลองดูสิอื่บันยังไม่ถึงเวลานั้นจะทำยังไงมันเล่าลูกเราเลี้ยงเด็กๆมาเกิดวันนี้พงมีอยากให้มันโตทำงานได้ช่วยพ่อแม่มันโตไม่ทันแล้วจะทำยังไงมันก็เรื่องมันเป็นอย่างนง้นก็เลี้ยงให้มันโตมาคนที่ไอ้คนที่สองมากเกิดมาวัน้องหนมันโตขึ้นมาช่วยกันงานกัน ก็เป็นบ้าหมดทั้งโลกเนี้ น, นีมันไปในรูปนี้เดี๋ยวนี้จะเอาตรงไหนได้คือตันหานั่นเองอ่ะตันหานี่มันอยากมันบังคับให้มันวิ่งตลอดเวลาไม่มีเหตุผลจิตใจต้องพนทุกวันนี่การครองชีพด้ื อ, อาการอยากอยู่หาเงินหาทองกินนะ่ะถ้าไม่อยากทำทำาต่น้อยให้ได้เงินมากๆดี ดีก็น่าดีไม่ต้องํำด้วยให้แด้เงินเรื่อยๆน่ดีถ้าได้มีคนจะยกมือทั้งโลกเลยนะนี่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าเออต้องขยันมันเพียนรู้จักรายรับรู้จักรายจ่ายอืมเน่เราไม่เอาอยางงั้นดิไม่เอาอย่างงั้นการซื้อขายอยู่กินทั้งตัวให้รู้จักหมด ให้ดูจับประมาณทั้งนั้นเลยที่เราเป็นคนไม่ดูจับประมาณกันเพราะเด่นกับตันหานนี่นี่ก็นับบัญญัติะจะได้กันหีือ ม, มั้งมันมีอะไรเงินเดือนผมกว่าไม่พอคนนี้กว่าไม่พอเงินก็เอาเงินจะให้คนบ้าใช่มันจะพอมาเลยลองสอ <c oughs> ใครมันจะพอเอาให้คนบ้าทาี่ใช่ จะทิ้งในน้ำสิ่งไปมันจะพอไหมใครมันจะพอเป็นไหมต่คนนั้นมันต้องรู้จักนั่นนะอล้วคนบ้านมันหมดก็จะท่ายกเจ้ากับนายกับพ่อกับแม่เกี่ยวเห็นเอานั่นเนี่ยนี่มันจะเป็นไปได้ไหมมันไม่แพ้มันไม่เป็นอย่างนั้นอืันนี้เราต้องอันนี้มันไอความคิดเนี่ยมันยังยังอยู่ลึกนะครับนะอันนี้ผมพูดให้ฟังมาผมพิจาาเห็นเนี่ยมันลึกกว่านั้น มันดึกมากที่สุดคนที่ยังไม่เห็นนี่มเดยเยวเกินเลยนี่น้องซ้ำนะเห็นก็นมาถามเพศจางนี้มันเปลียดซะเลยไม่เจอกันนละอันนี้ผมก็เคยเจอแน่ทำไมไม่เคยเจอละ่ะเขากุ้มใจมานี่ผมก็ปลอกก็เลยทำมะ เขาก็บ่นว่าผู้จะตายอยู่แล้วพูดแต่ธรรมะแม่โดยอย่างนั้นเนี่ยคนถูกแค่นั้นแหละคนบ้าจะทําไงมันหรอกเป็นหมาว่าจําไงมันก็เป็นอย่างนั้นไปแค่ตรงไหนแต่คนมันเต็มที่มันแล้วนอืเราจะต้องทำอย่างนั้นจะไปแค่ไปถึงที่ไหนแล้วหนามันโจทย์ช้าทันนะมันไม่มีทีไฟหรอก มันมีทีไปอย่างผมว่าเน่ะไปแสดงสีแสงให้คนตาบอดจบเหมาเลยไนะอ้ น, น้ำสีขาวสีขาวเป็นยังไงครับอืมเนี่ยเหมือนปูนขาวนี่เนี่ยปูนขาวเป็นยังไงครับ <c oughs> ปูนขาวมันมันท้องฟ้ามันทีเมฆ ข, ขาวๆเนะี่ยทีเมฆมันเป็นยังไงครับโดยตลอดตายเลย ไอคนโม่กับไฮซีว่าอันนี้ไล่ตลอดเวลาเลยน ะ, พะเพราะมันจะยิงไปไกลเนื้นไม่ไกลเลยมันไม่เห็นนี่มาถามพระอาจาคุณบอดเถอะกี่ปีแล้วมารักษาตากนันดีกว่ามันพอรักษาได้ไหมถ้ารักษาได้ตาเลียวขนาดนะสีทั้งพวงในโลกเนี้เราไม่จำเป็นจะต้องอธิบายเพราะมันดืน่ตาเสร็จมามันรูดจากมันเอง อย่านี้ดีกว่าเลยมันงมอนเขาไล่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเจ้าอะไรมาแก้ไขมันมันจบเป็นนี่น่ะดุดมันเป็นนี่น่ะปะทาปัวหาบุคคลกระจบแค่นั้นไม่มีอะไรที่จะสอนแล้วเพราะเลิกการแค่นั้นอืมีมันกันแต่มันทีกรรมฐานหัวจะแตกเลยนักศึกษามันถามเนี่ยที่อยากจะให้มันคนอยากจะให้มันแก้ดุจดุจดุจเสมออคนที่ถามเนี่ยนะ อไอ้คนที่สามเนี่ยมันไปในไม้ไนะครับผมต้องกลับมาชนมันถึงจะได้ต้องกลับมาเขาเห็นอย่างนั้นนี่ครับเขาเห็นอย่างนั้นมันไม่เห็นนี่เขาก็มีปัญหาด้วยดีครับที่ขาวนี่นะมันเป็นอย่างนั้นเขาก็บอกกันเขายังไม่รู้จักตัว่นี่อันนั้นมันเป็นไงครับแล้วก็บอกมันก็หมดอุปมาประไมยเลยเนี่ยหมดจะทํทางไง หยุดกันสิไม่เหนื่อยก็หยุดกันนี่มาถามถึงตากันตาคุณเป็นอะไรบอดมาสี่ปีไหมมารักษาตากันดีกว่ารักษาได้ก็ได้รักษาไม่ได้มันบอดใช่เลยอืเตรานั้นเรื่องของมันจะทํายังไงมาอันนี้โอ้ยผมมันคนคิดคนเดียวหนิแส่ละภาคยามครับเดี๋ยวเนี้เอาแต่สิที่มันพอได้กท่นั้น มันไม่เลยแค่นั้นจริงๆมันไม่พอได้เอาไว้นั่นเถอะแ่จังมันเถอะของทิ้งมันมีนี่นะของเอามันมีเนี่ยของสอนง่ายมีสอนยากมีของที่ไม่ได้สอนมันเป็นเองมันมีในโลกนี่มันเป็นอย่างนั้นจะทำมันเป็นอย่างนั้นไม่จะบังคับมันอะไรมันนะอือดูดีพระพรนิเินมาเนี่ยเพรไม่ไปสอนอะไรมากมายเลยคนที่มันจะเป็นไม่ต้องสอนมากครับมันไปมองดูส่วนไม้เนี่ย รู้จังเออต้นไม้ต้นนี้มันก็เหมือนคนนะอือต้นไม้ไอ้กิ่งมันแห้งอืออันนี้เองก็เหมือนคนเหมือนกันนะกิ่งนั้นมันก็แห้งเลยมันดีใจเองมันครับเครื่องมันมีอยู่ในนี่แล้วเราไม่ต้องสอนครับนะนี่มีอุกติจัลย์นี่เขาไปปล่อยไปตามป่าไม่ต้องสอนไอ้อุกติตัลยูนี่มันรู้มันเองไม่ไม่สอนมากไปนเลย เราพูดกับคนอื่นเขาเขานั่งฟังเนี่ยเขาตาว่าสอนเขาก็ขยิดไปนีดไปจันยูเ น, นนะ่นะต้องอุปมาประม า, ะมาทสักหน่อยหนึ่งคอยทิ้งไม่ได้ต้องเปรียบเทียบในฟังนิดหนึ่งเห็นได้ อ, ดอืมจริงแต่ก่อนเราไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยวันนี้เราเลยคิดจริงเราคิดไปเรือเ่อยๆเนี่ยนญาบุคคลเน่นนนะต้องพูไทยกันหนังรอบสักหน่อยหนึ่ง ขูดอันนี้พวกขูดแจกพไปได้ครับพอไปก็สอาได้นะอือย่างนักเรียนมันสักร้อยคนนะสักแปดสิบคนนะมันจะเป็นทีสุดท้ายเพราะว่าในจบนะเป็นคนทีแปดสิบแต่ก็กระทั่งมันเน่ยมันยังอยู่ในช่านของเขาได้สอบได้อยู่อืมมันไม่นอกอยู่เขาอยู่โน่นก็เอาพอไปได้ก็เขาอืมนั่นไอ้คนอื่นนั่นนะไม่รู้เรื่องคนอื่นนั่น คนนี้่มีเรื่องวันนี้จะทอยังไง น, นะครับวันนั้งมันก็ทำอย่างเต่าอยู่แล้วนะต่อไปจะทำอย่างไร น, นะครับอยู่มาวันนั้งก็ทำอยู่อย่างนั้นแนหะต่อมาอีกครัวจะทำอย่างไร น, นะครับครับด้วยนะนะครับทิ้งอีอคนนี้ก็ต้องปล่อยแล้วครับ ปลให้เจ้าของเก่าเขาให้ตัเจ้าของเก่ากขาทำโยนในตัวของเก่าเขาให้ทำซะให้เขาทำของเขาซะหมดภาระเราอย่าไปยุ่งเลยให้กรทำของเขาของเขามาเป็นอย่างนั้นให้รำเขาซะให้เจ้าของเก่าเขาดีกว่าเราอย่ามาแต่งมันเลยในใจของเราที่จะต้องแต่งคนนี้ต้องโยนใ้ของเก่าเขา มจเออมันจะนั่งนี้ก็ช่างเหมืนมันจะทําอะไรก็ช่างมันเนอะมันจะไปเป็นยังไงก็ช่างมันเนอะแล้วก็อยู่ใช้าชเราก็ยิ้มแต่ว่ามันของเขาเราส่งในเขาแล้วของเก่าเขาแล้วก็ให้เขาจะไปแย่งเราเป็นมาเลยคนประเภทนี้มีทุกสังคมอืมว่าอยู่ในนั้นแล้วเราเหมือนจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นด้วยมันเรียนขึ้นเยอะขึ้นเลยนะเออเนี่ยนะ่นเนี่ยคุณคุณอย่าลืมหมายสิ่งที่มันจะเริ่ขึ้น ทีละน้อยละน้อยละน้อยละน้อยถึงสุดๆมันจะเสื่อมลงธรรมดาสมมติอย่าไปลืมว่านี่กองทรายให้รดบรรทุกมาสิให้ศาสตรทรายให้มันแหลมเป็นยอดขาดยอดเจดีกันสิมันแหลมจนสุดมันแล้วคุณยังไม่พอใจคุณจะศาดตร์ได้มันแหลมกันไปคนนั่งกกพังลงมาอย่างต่อศาสตรพื้กันมันไหลลงมาศาสตรพื้นกันมันมีเท่านั้นกำลังมันมีเท่านั้นทรายเท่านั้นคิวมันจะสูงแค่นั้น สุดขีดมันแนะเอาคืนอีกไม่ได้คุณยังไม่พอใจของคุณอยู่คุณยิ่งต้องไปสาดตายมันสูงบนหลังหญิงไรตั้งงายอยู่ไรั้งง่ายคุณก็เป็นเศษสาดตายอยู่นั่นแหละไม่ต้องไปที่ไหนหรอกมมันเป็นแค่นี้ครับที่สุดมันมีอยู่นะั้นถ้าเรารู้จักอย่างนี้เราก็หยุดซะทีอย่าไปสาดมันดีพอแล้วถึงแค่นั้นมันพอแล้ ว, วเรื่องมันจะเป็นไปเรื่องของโลกภกวันนี้มันจะเป็นไปของมันของมัน ก็ให้มันเปลี่ยนไปข้องมันจะทำอะไรมันนะเนาะแก้ไขเท่าที่ควรพี่เราอยี่แแาแก้ไขเกินพอดีของเราจริเขาจะไปแก้ไขที่ไหนล่ะอืเสื่อมเบื้องต้นทํากลางก็แปรไปือทำไมแปรไปเปลี่ยนไปที่ตัวกดเสื่อมสลายไปมันเสืออะไรนี่มันเป็นอย่างนี้เราเอาเท่าที่ควรพี่ อถ้าที่สอนไม่ได้แล้จะไปควนนี่เนี่ยจะตกมาลุกเดียวกันอีกแล้วอืมพอพอควนแล้วหรือยังไงนี่เอาไงลองลองดูสิให้ท่านดันไปดูที่ไปแก้คนในโลกลองลองดูดสิไปศาสตร์ห้มันสูงกว่าัว่าประมาณมันที่ศาสตร์แต่เห็นี้มัไหลลนะคุณจะไปศาสตร์นี้เกิดประจุอะไรแล้ว นอกจากบรนทุกตรายมาใหม่กองใหม่ซึ่งจะศาศรนอันนี้เราควรต้องคิดอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าเราเห็นแก่ตัวบางคนเขเอามาใส่เออไม่อยากสอนกาเห็นแก่ตัวก็ทำให้เราใจเราสบายดูเราเห็นจิตแก่ตัวจริงๆดิ้นนี่ง่ายน่าเนี่ยอันนี้มันเรื่องของคนพูดดูจิตเดสิเราเอาศัยคนอื่นหรืออาศัยเรานี่เราเป็นยั ง, งนงริงไหม ถ้าเป็นงี้นั่นจริงก็ถูกของเขาเนี่ยถ้าไม่เป็นอยังไงเขาก็พูดไม่ถูกแล้วมันอยู่ที่เราลเลยถ้ามาพึ่งตัวเราจะไปพึ่งคนอื่นได้เลยเราทําดีอยู่เขาว่าไม่ดีก็จะทําไงเนี่ยอย่าพูดเขาก็พูดเรื่องของเขาจะทําไงเนี่ยมันเรื่องของอย่างนี้ครับเราจะทําไงมันแต่อไอ้ที่เรากิดกัตัวเรา เ, รนเนี่ยเนี๋ยวน้เพาว่ามันเป็นอย่างไงเขาว่ามันผิด ที่เขาว่าแล้วก็มาฟังมันผิดอย่างไงนี่เออจริงวะเราทำกันมันผิดอย่างว่าไม่ไปเสี่ยงเ้ายอมผิดด้วยนั่นเขาพูดถูกแล้วเรื่องมไม่ดีสักขนาดไหนก็ช่างมันเถอะถ้าว่ามันผิดเราก็ผิดอย่างนั้นนะนั่นนะเขาพูดเขาพูดถูกแล้วอย่าไปแย่งเขาเลยถ้าเราเขาถ้าเราทําชั่วเขาว่าเราทําชั่วมันถูกความเขาแลยอย่าไปโกรธเขาทีเนี่ย ถ้าเราทำชั่วเพราะว่าเราทำดีนั่นสิจะไปเชื่อจะไปลงดีกับเขาสิมันดีตรงไหนนี่มันดูอยู่ตรมันดูอยู่ที่จิตใจของเรานี่<ม>แต่เดือนนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันมันยากสัหน่อยนึ่อยากแก้ผู้อํานวยการสักหน่อยหนึ่งนะไมาผวมว่าไมาผมว่า ม, ามาเช่นนะอ่ามีในกอนี่ในคอนะ เขาจับมาเนะี่ยไอคนนั้นไม่ได้ขโมยเลยไอคนนี้มันได้ขโมยจริงๆแต่เราเอามาสอบถามเราเป็นเจ้าหน้าที่ถามคุณได้ขโมยไหมเปล่าครับคนไม่ได้ขโมยกขาบอกว่าเปล่าเลถามคนนี้คุณได้ขโมยไหมเปล่าครับนคนขโมยก็คนไม่ขโมยมันพูดคำเดียวกันแล้วจะตัดสินยังไง มันเป็นจริงี่สำคัญเียนี่คนดีคนชั่วคูดคำเดียวกันคนเพื่อคนไม่เพื่อครับคำเดียวกันทังไงแม่คุณจะไปอาศัยใครป็นอยู่ล่ะนอกจากอาศัยเจ้าของนี่เท่านั้นเองแล้วจะจะตัดสิดยังไงคนไม่ในรักมจริงเขาเขามาเปล่าเขาจริงคนนั้นไอ้คนนี้ไปขโมยจริงจริงแต่ถามเขาเขาเปล่าครับคนไม่ไดขโมย มันพูดคำเมียว น, น่วนนะไม่ใช่ทำไงมันสืบยากเห็นหอืมจะไปเอาคำพูดในปีวันนี้เป็นประมาณไม่ไดนะ้ต้องสืบ อ, อันนี้กคนมันกันฉันนั้นกนะารคดงอในใจเขาคนมันเป็นอย่งงางไงถ้าหากว่าเรารู้ตัวของเราเน่ยรู้ตัวของเราดีกว่าอย่าไปเอามากสิเอาเราเท่าที่เอาได้สิ จะสาดสายให้มันเกินขนาดมันไม่ได้เนาะพังด้มาหมดเนี้ยไม่ไปที่ไหนมันมีดีคีลบมันมีดีีบวกมันมีดีคคูนมีดีีหารนะเราก็เรื่อยต่อที่มันเป็นจำนวนมันนะเราจะคูนไปเรื่อยไปเอาไปที่ไหนเนะี่ยทำไมดูหลักสูตรเลขเราก็ดีสัก มันมีดีคูณดีทีรวมมีทีลบดีทีแบ่งถ้าประชาชนเราทําตามนีนะ้ควรแบ่งก็แบ่งควรคูณก็คูณ mm. ควรลบ ก, ก็ลบทิ้งอย่างนี้มันก็เป็นธรรม ะ, mm. ะเลยเล่อนอย่มันคูณแต่พึชเาใสยตรงไหนก็ไม่พอไม่พอมันคูณแต่พึชเลย mm. นะเมื่อคูณแต่พืชยัง ไ, ไงเนะ่ะไอ้ที่มันถูกลบนะมันไม่มีจะกินเลย ไปขอขอไม่ให้ไม่ให้กมไโมยเอาไป น, นั่นไนงะ น, นี่ทำนองมันจะเป็นเ ย, ยื่องนี้ mm. ผมมาร้อนครับไอ้ร่อมีร้อนนะอืมไอ้เร่องให้ผมไปพูดผิด น, นะผมก็ไม่สนไปเลยนี่มันไม่เกิดประโยชน์เอย่างนี้นี mm. ่กิดระโยมาตั้งอยู่ตรงนี้ใครสนใจมาศึกษาตรงนี้อย่าไปตีเยนนะเกะกับผมไม่เถียงในธรรมะอืม mm. โรคระบาดมันเกิดถึงบ้านนี่มะหมอก็จะทําไงนะที่มันกุ้มแล้วก็ไม่ต้องการเขาโน่นจะไปตัดตรงโน้นฉีบยาตรงโน้นกันตรงโน่นที่มันเป็นแต่มันเป็นแล้วกบอนอย่างเขาหลับไฟหลับไฟมันไม่บ้านนึงเนี่ยมันไม่บ้านดังนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาต้องไปการโน้นก่อนไอ้ที่มันไม่แล้วอย่าไปอย่าไปทําอะไรมันมากเลยมันไม่แล้วนะไอ้สิ่งที่มันเดือดมันมากกว่านี้มันมีประโยชน์กว่านี้ วิธีเขาหลับไฟก็าหลับอย่นนางนั้นแต่ยังงั้นเราเขาเหมือนกันไอ้ <c oughs> ที่มันมันคงเครือจนเกินไปเราแก้ไม่ไหวแล้วนะมันหมดเวลาเี่ยเราถอยมาอยู่เงี้ยที่มันเราทําเราเนี่ยเป็นตัวอย่างนะเอาเป็นตัวอย่างของเราเป็นตัวอย่างของคนด้วยเราจะทํายังไงไหมทําให้มันเป็นธรรมะไม่ให้มันเป็นโลกาจิปใจไม่หเป็นอาตาศจิปใจทำให้มันเกิดธรรมะ ถ้าคนมุมมีนิ ส, สัยมีปัจจัยมันจะมาฟังแล้วมันจะมามองเลือกว่าคนชนิดนั้ น, นมันปนเปกันไปนะฮะทุกครั้งที่ธรรมะมันเกิดขึ้นที่ใดก็เป็นประโยชน์กับโลกอืแล้วก็คนดีๆยัยก็ชอบกันนะแต่คนชั่วๆมันก็จะมาฟังจะเป็นอยูัยงั้นั่ น, นออันนี้เราบอกว่าโลกมันเป็นยังไง ทีเนี่ยก็พูดที่อย่างอย่างของท่านท่านไม่ชอบอันนั้นแต่โลกเขาว่ามันเป็นธรรมะดีแต่เราไม่เห็นพวกเขาเนะี่ยันไม่ชอบเราก็มันมีจารณาธรรมะนะพอเราไม่ชอบมันจะเป็นธรรมะชั้นในรุ่งสีแต่ฉันไม่ชอบแต่คนทางเมืองเขาชอบธรรมะอย่างนั้น เขาเอากันอยู่เราก็เห็นอยู่เขาเอากันอยู่เจ้าเราก็ไม่มีศรัทาเพราะเราไม่ชอบอย่างนั้นคนในคนในในในยุคไหนประชันกันเถอะครับมันตน้องมีอย่างนี้มันมีเครื่องวัดสาธีกันหมดทุกคนแล้วก็ใครจะช่วยล่ะถ้ามีใครชัว่วจะมีปัญหาไหมมึงถ้าไม่มีปัญหาจะได้แจ้ปัญหาไหมไม่แก้ปัญหาจะมีปัญญาไหม อผมคิดถึงผู้อยู่วัดประโงผมคิดถึงเรื่องนี้ผมไม่อยู่ในป่าวัดประโภคเนะียเป็นวัดเป็นสถานที่ของหวงห้ามหาจีนของเขาผมก็มาอยู่ตรงนั้นคิดว่าเออเรามาอยู่ตรงนี้ให้อาภัยสัตรนะเดี๋ยวผู้คนจะอยู่กันสบามาอยู่ปุ๊บกมคิดนะผมมาอยู่พุ๊บก็ไปเลยแล้วเราคิกว่าดีมันมดีสำหรับเราเ โอ้ท่านมาอยู่ทําไมที่นี่ท่านมารักษาป่าทําไมท่านบวชท่านรักษาต้นไม้หรือท่านท่านมารักษาสิ่งบวชละมาเรี่ยท่านมาอยู่ยังไงมันหวงต้นไม้ไปทําไมบสงสารสัตว์สาลาสิ่งกระแตกระลอกมันก็มีสงสารมันมันมายิงเออโยมจะทำยังไงคุณ่ะเรียกมาเหนือแตดป่าไม่ใช่เรือเนี่ยอันนี้มันชะเรื่องของพระแร้ว แ ม, ทมแ่ทำไงเออจะทําไงอ๋อผมเอ้าอยู่มันนี่จนมันหมดฟองมรู้ต่งางๆตรงนี้วัดประพงเนี่ยไม่ตรงนี้มันจะสร้างทกำแพนขึ้นในมันรอบตรงนี้ละมันจะเป็นยังไงไหมอยู่มันกวนตรตลอดเวลาครับเนี่ยทั้งเรามุ่งดีตรงนั้นเยยังอีกชนิดย่อยๆไปคนนี้กระแตยกับสุนัขถ้าเห็นน่ยมันอาภาษตันครับมันวิ่งกัดเลย ผมก็ททำอยู่ในนั้นกระแทกเมาหลายมันพุ้นมันเชื่องเข้ามาไอสุนัสเข้ามามันก็องมามันก็มาตะคุกกระแทกทิ้งผมก็ไม่สบายเลยสุนัขก็ไม่ต้องเห็นมันเขาวัดดีกว่ลวมันมาสัดกระแทกเรานอะไอคิดอย่างนี้มันตวงลอดเวลาอมอเห็นแต่กระแทตรงนั้นก็ตะคุกตายตัดตายแล้วตหน่ไม้ตายเี่ย้งฟเนี่ย ทำไปทำไปเอออันนี้เราคิดคิดมาหลายเดือนกันด้วยอนะคิดคิดหลายเดือนมันทำมาชักของมันนะถ้าสุนัขนีกระแตมันโง่้นี่ถ้าสุนัขอยู่กระแตมันฉลาดเห็นไหนะลองลองดูที่มันทําให้มันมีปัญญาขึ้นมันทํามีความระวังขึ้นไอความคิดเมื่อไหร่มันมีมันดีนะ มันเป็นคู่เพียงก็อาการย์ผิดถูกถ้าทำนี่ผิดก็ถูกเนาะหืมเจ็คิดเราทําตัวนี้มันไม้ช่างไม้ตัดตัวนี้ช้นหรือยาวเนาะมันต้องมาวัดกันครับอัญญามันก็มีอันชั้นเป็นอาจารย์อันชั้นก็มียาวเป็นอาจารย์นี่มันคู่กันไปอย่างนี้อ๋อโลกมันเป็นีเองนะทุกวันในพ้ะสุริย์ปล่อยเงินแจกกับสุดักมันป่วนกันอย่างไรก็ตามธรรมชาติมัน ขนาดนี่ก็ะจายกระจายก็ไม่หมดครับมันฉลาดตัวเก่าเลยยิ่งมีกระเจาฉลาดทั้งนั้นน้อยมันก็ฉลาดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นขอนะ้อเรล่าเนาะอือเราจะไปห้ามคือนักวิชากระจายห้ามไม่คนมาว่าดพวกเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็จะวาของเขาอย่างนั้นเออผมติดตั้งอย่างนี้นอือต้องอยู่มัน้แน่นอนตรงนี้ไม่หนีมันละที่อยู่ตรงนี้ลนะ มันควรอยู่ตรงนี้นะมันจะไม่ควรอยู่ตรงนี้นะ่ะอทําอยู่ตรงนั้นเนะี่ยมัดประคองอยู่นิหนึ่งบางทีป่วยไข้คนจะตายมาตรงจิตนี้ว่าอยู่คนเดียวขว้างไปอยู่เนะี่ยเด็ดยังไงนะเพราะว่าเราจะเอาป่าเราจะเอาจริงไหมอยู่ตรงนั้นนให้มันเห็นเนี่ยยถ้าเรามีกําลังมากแต่คนนั่นกําลังมันก่อน้อยทําไมมันน้อยเพราะเรามีกําลังมากกว่ามันก็น้อยเอง ถึงเม่อี้กำลังนิางยางต่อมันก็น้อยพอเรามันมากขึ้นเรนนี้จะคอยกันอยู่เป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ต้องสนใจมันมากไปเอาสิ่งที่เราพอทําได้นะไม่ต้องไม่ต้องทําใหม้มันทุกข์ครับถ้าทําใจใทุกข์อะไรท่านผิดเลยผมก็ผิดเพราะปฏิบัติไม่ให้มีทุกข์ทำไมทุกข์จด่ใจเราได้นีเรามันผิดอยู่แล้ว ไอคนนั่นพูดไม่ฟังเราก็เสียใจเป็นทุกข์เร่าผิดนี่ครับเราปฏิบัติเพื่อไม่เอาทุกข์ให้ทุกข์เกิดได้ทําไมทําไมไม่รู้อันนั้นอะ่ะเรามันผิดเยอะครับลองลอ ง, ลองดูสิ อ, อืมเดี๋ยวไปข้วหาปณิพานไปดูตรงนี้ครับพระชนะมันตรงไหนเราลองลองดูสิครับตรงนี้อ่ะล อ, ลองลองดูสิให้ ไ, ไม่อยากแก่อย่างคนที่นี่เนี่ยาตาศาสตร์เนี่ิ ปลามี่าสัตว์ก็มีค่าอย่าทำไงนะเมสัยนี้นะถิ่นเขไปขายของตลาดนะเอาจัตเล็กๆรอยมไปขายของตลาดตัวไม่สายใจม่จะหาเงินมาซื้อของในตลาดมันไปปล่อยหมดสัตนี่พอไหมจะหาเงินมาพอไม่ไปซื้อในตลาดแต่เล็กสตวไม่ไปจับมามาฆ่ากันเนะ่ะเราสงสารันึง่งอุสาไปหาเงินมาซื้อสัตไปปล่อ ย, อยให้มันหมกตลาด ตลาดเมืองอุบลมีหมดแล้วตลาดโคราชตลาดที่ไหนไปซื้อไ้หมดมันจะไปไหวไหมเราเมียมีตาเจ็นนี่คือเมียมีตาตกหนีโน่แล้วใช่ไหเออถ้าเรามีเมตตาก็ปล่อยให้ทำซะสิเราก็พูดของเราไปนั่น